ตั้งใจสำรวมใจของตนให้นแน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อที่จะทำใจให้สงบเพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญามันจะเกิดได้เพราะอาศัยจิตเป็นสมาธิ พอาสยจิตตั้งมั่นปัญญามันจึงเกิดขึ้นได้คนขาดปัญญานั่นแหละมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าความพ้นทุกข์นี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครตัวเราคนอื่นนั้นจะช่วยคนอื่นไม่ได้เลย ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเราฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนี่แต่ปัญญาเท่านั้นแหละจะช่วยตนในพ้นทุกข์ขั้นสุดท้ายนะแต่ขั้นต้นเราก็เริ่มกันมาแต่ข้อวัดปฏิบัติเริ่มจากการให้ทานนนั่นแหละมา โดยลำดับจนมาถึงขั้นภาวนาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจึงสามารถละกิเลสภายในจิตใจนี่ได้เพราะว่าปัญญานี่ย่อมสอนจิตนะจิตตั้งมั่นลงไปแล้ววันนี้ปัญญาเกิดขึ้น ปัญญากลับมาสอนจิตอีกทีหนึ่งสอนให้มันรู้จักความทุกนี่แหละก่อนอื่นถ้าว่าจิตนี้มันไม่รู้จักความทุกในชีวิตในขันห้าอั น, นี้มันก็ไม่เบื่อไม่น่ายเมื่อมันเมื่อเมื่อมันไม่เบื่อมันก็ยึดถือไว้ มว่ามันยึดถือไว้เวลาร่างกายสังขารอันนี้มันมีบาดลงก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะไปยึดของไม่เที่ยงไว้มันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราไม่รู้จักทุกข์แต่เท่ากับว่าไม่รู้จักของไม่เที่ยงนั่นเองเนี่ยเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลําบาก ดังนั้นน่ะพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้คนเราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นพอเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมานึกถึงอุบายต่างๆมาสอนจิตนี่ได้ถ้าปัญญาไม่เกิดแล้วนึกถึงอุบายอะไรก็ไม่ได้ไม่มีอุบายใดที่จะมาสอนจิต ได้เลยเิตนี้เราจะบังคับให้มันลากกิเลสเอาดื้อๆ อ, อย่างนี้นะมันมันไม่ได้ <c oughs> เหมือนเด็กๆนั่นแนะครูเท่าใดมันยิ่งร้องให้มันยิ่งกลัวมันยิ่งไม่เอาไหนเลย <c oughs> ถ้าปลอบโยนเข้าไปพูด นั่นนั่นนี่ให้บันดีอกดีใจหาของเล่นให้มันเียนี้มันก็หายร้องให้ทันทีเด็กๆนันเมื่อมันได้ของที่มันชอบใจแล้วอจิตนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อมันยังไม่เห็นทุกยังไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกมันดับเหตุให้เกิดทุกไม่ได้ เหตุอันนั้นแหละมันครอบงามจิตใจทำให้ใจมืดมนอนตะการเพราะฉะนั้นเราจะไปบังคับตัวเองให้ลากกิเลสเอาดือด้อมันจึงไม่ได้นะเพราะมันยังมองไม่เห็นนี่ต่อเมื่อใดเราได้มาสอนใจนี่ใส่อุบายปัญญาสอนใจนี่ให้เห็น ทุกเห็นภัยในวตาสงสารนี้ให้เห็นว่าดวงขีดที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้นะมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากอันนี้แหละที่บุคคลจะแสวงหาทางออกจากทุกขนะ์ี่ะเพาะมาเห็นว่าดวงขีดนี่มาอาศัยอยู่ในขันห้านี้ไม่ใช่ว่ามันอยู่สบายเมื่อไร่อ พอมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงร่างกายนี่มันกระแปลผันกระทบกระทั่งกับจิตอยู่เสมอเสมอถ้าเวลามันไม่สบายโรคไัยเวีดเวียนยิ่งกระทบใหญ่จิตใจเนี่ยกระวนกระวายอยู่มาเป็นสุกเลยแต่อาศัยตัรหายอมจิตใจคนเราหัก ไม่เบื่อหน่ายในทุกเหล่านี้เป็นทุกข์กร้องให้ควรค้างอยู่เฉยๆนี่แหละแทนที่จะคิดเปื่อคิดหน่ายดำริว่าทำอย่างไรหนอนเราจะพ้นจากทุกเหล่านี้ไปได้มันไม่คิดไม่ดำริคนส่วนมากนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงติดอยู่ในทุกท่านผู้เทพ้นทุกข์ไปได้นั่นก็เพราะท่าน อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็มาดำริในใจว่าทำอย่างไรหนอเราจะพ้นจากทุกข์ในขันหนานี้ไปได้ก็เมื่อพิจารณาดำริอย่างนี้มันก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมามละตัณหาเสียเมื่อละความอยากความได้เยอทยานต่างๆได้แล้วเช่นนี้ จิตใจนี่มันก็ไม่ได้ยึดมันในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วแบบนี้เพราะความอยากอันนี้อยากให้ขันห้านี้เที่ยงยั่งยืนอยากให้ขันง้านี้สวยงามหาเครื่องประดับประดามาตกแต่งเข้าไปอย่างนี้นะหาอาหารดีๆมาให้มันอัปทานหายาดีๆมาให้กิน บำรุงมันไว้เพื่อให้มันอยู่ยั่งยืนนานทีนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังบ่เนี้บำรุงเท่าไรเท่าไหรก็ยังมีโรคภัยมาเบียดเบียนบีบคั้นทำให้ร่างกายนี้กระซับกระสายแปรผันไปต่างๆนานา จิตใจที่อาศัยอยู่นี่มันไม่ได้พิจารณาให้ดูเท่ามันก็เป็นทุกข์นั่นแหละนี่แหละถ้าผูริมรตันหาความอยากนี่เสียได้ความทุกข์ทางใจก็ไม่มีคือว่าการที่อยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่อย่าไปนั่นอย่าไปอยากมันละมันหมด พออยากให้มันเป็นอย่างไรมันก็ไม่เป็นเป็นไปตามใจหวังเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ของใครอ่ะไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดทั้งหมดฉะนั้นเราจะบังคับให้มันเป็นไปตามใจหวังจะไปได้อย่างไรอ่ะก็มาใช้ปัญญาสอนจิตใจเข้าไปอย่างนี้นะแล้ว ปัญหาความอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้ววันนี้นะอืมันเห็นชัดแล้วนี้ถึงอยากให้มันเป็นได้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังก็วางอุเบกขาลงเสฉยเลยดีกว่าอืมันจะไม่เป็นทุกข์ใจอไม่เสียใจเวลาร่างกายอ น, นิวิบัติลงไม่ดีใจแล้วเพลิดเพลินเกินประมาณในเวลาร่างกายนี่อยู่เย็นเป็นสุข ทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งต่อขันห้านี่นี่ลหละจะเป็นทางพ้นทุกข์พ้นจากขันห้านี้ไปได้ก็เพาะไม่ยึดถือขันห้าเมื่อไปยึดถือขันห้านี้แล้วมันก็เป็นแดนว่าละทั้งบุญทั้งบาปเสียหมดเลย พวงวางขันห้าได้โดยทั้งพวงแล้กก่อทาบุญก็ไม่เป็นบุญทําบาปก็ไม่เป็นบาปหมายความว่าไม่ทําบาปนั่นแหละไปไม่เจตนาทําบุญเพื่อตนเองเจตนาทําเพื่อผู้อื่นทําความดีต่างๆตนเองนั่นมันพอหมดแล้ว ขอทำบุญพอหมดแล้วนะ่นะมันถึงละขันห้ามันยังพงจึงวางขันห้านี้ลงได้ถ้าบุญไม่เพียงพอไม่เพียงพอจะมาพงมาวางขันห้านี้ไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อผู้ใดรู้ว่าบุญของตนยังน้อยยังไม่พอที่จะพงจะวางขันห้าไดก็ ใช้ขันห้านี่แหละทำบุญกุศลไปเรื่อยๆอย่าใช้มันไปทำบาปาใช้มันทำแต่บุญแต่กุศลแต่ที่การงานที่มันเป็นประโยชน์จนและผู้อื่นนั่นเว้นจากมิจฉาชีพทั้ง่ะไม่เลี้ยงชีวิตโดยทางผิดศีลผิดธรรมหาเลี้ยงชีวิต อยู่แต่ในกรอบแห่งสินแห่งธรรมใ้การหาเลี้ยงชีพนี่นะว่าสาคัญมากนะคิดดูให้ดีอันบุคคลทำบาปอยู่ในโลกอันนี้มันก็เพื่ออาชีพนี่แหละเพื่อปากเพื่อท้องนี่เองนยเพื่อร่างกายอันนี้แหละเห็นเขามีรถยนต์ขี่สบายสบายเอาก็อยากให้ร่างกายอันนี้ได้นั่งสบายบ้าง ดิ้นโดนสแสวงหาเงินให้ได้พอซื้อรถแล้วก็ไปซื้อรถมาขี่กันนี่นะความอยากให้ร่างกายอันนี้มีความสุขความสบายมันก็เป็นตันหาอันหนึ่งบต่ีนการหาเงินเมื่อหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้ทันอกทันใจ ก็หาเอาในทางทุจริตช่อโกงเอาหลอกลวงเอาจี้ปล้นเอาอะไรหมดเนี่ยโดยเข้าใจว่าเงินเขาหาไว้แล้วเราไปจี้ไปปล้นเอามาอย่างง่ายไม่ต้องกำผลทนเดดทำการงานอะไรก็ได้เงินมาใช้ฟฟี ไม่ถึงอกเขาไม่นึกถึงอกเขาอกเราเลยไอเขาเจ้าของเงินนะเขาจะเป็นทุกข์เป็นโศกอย่างไรไม่คำนึงถึงเขาจะอดอยากลำบากอย่างไรก็ไม่คำนึงกว่าแต่ตนเองได้มาใช้สอยตามความประสงค์รอบเป็นอันพอใจแล้วอันนี้แหละนาฬ่าผู้อบรมจิตใจ ทำใจให้สงบเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นก็ต้องพิจารณาหา เ, าหญญาเลีเเเรเร้ยงชีพโดยทางสุจริตให้ได้เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันมองเห็นหรอกทางแห่งการเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตด้วยอำนาจบุญด้วยอำนาจคุณพระรัตนไกลผู้ใดเชื่อจริงๆ ได้สร้างให้เกิดได้มีขึ้นในใจแล้วเมื่อเราติดขัดอะไรก็อธิษฐานใจถึงคุณพระรัตนกรัยนั่นอธิษฐานใจถึงบุญกุศลความดีที่ทนทำ ม, มาหากว่ามีจริงก็ขอให้อุปสรรคความขัดข้องนั้นจงลุล่วงไปด้วยดีขอให้ข้าพเจ้า ดำเนินชีวิตี่ไปโดยสะดวกสบายอย่าได้ขัดข้องหากว่าบุญกุศลมีตนเลื่อมใสในคุณพระรัตนกรจริงๆหากมีจริงๆบุญคุณเหล่านี้มันกอ็อาจสามารถที่จะบรรดาให้อุปสรรคความขัดข้องนั้นนั้นรู้ร่วงไปได้ เวนเสียแต่กรรมเวรหนหลังมันตามมาสนองอันนั้นไม่ได้มันไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะเหนือกรรมเหนือเวรที่บุคคลกระทาเอาแล้วนั้นได้เลยมันมีตั้งแต่บุญกุศลเท่านั้นแหละเมื่อรู้ว่าตนมีกรรมมีเวรแล้วก็สร้างบุญกุศลให้มากขึ้นไปเรื่อย แล้๋ยวก็ละบาปที่ตนได้รุมหลงทำมาเหล่านั้นอธิษฐานใจละเว้นให้เด็ดขาดไปเลยอันนี้หลาจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถ้าผู้ใดมีกรรมมเวณนตามสนองเอาอันนี้เมื่อตนยังรู้ถัวว่ายังละกิเลสไมห่หมด ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่พระนิพพานก่อนเจ้านี่ก็ตั้งใจสร้างกุศลคุณงามความดีเข้าไปตั้งใจไหว้พระนางสมาธิภาวนา <c oughs> อบอรมใจให้สงบระงับจเจริญปัญญาพิจารณาสังขาร น, นามรูปอันนี้ ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอไปอันนี้แหละเป็นการอบรมอินทรีย์อบรมปัญญินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นในใจปัญญามันจะเกิดได้กับพวกเราประกอบอย่างที่ว่านี้แหละหัดคิดหัดวิจารณ์หัดพิจารณาการพิจารณากับพิจารณาอยู่ในธาสี่ขณนนี้แหละ เพราะว่าใจมันหลงยึดหลงเถืออยู่ในขันห้าอันนี้ถ้าไม่พิจารณาสอนใจนี่ให้รู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้มันจะไม่ยอมปรงุงไม่ยอมวางเลยเมื่อมันไม่วางขันห้านี้แล้วมันยึดขันห้านี้อยู่แล้วมันก็ยึดไปทั่วโลกนี่แหละวันนี้นะลามฟามไปทั่วแหละ อยากได้สิ่งใดก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นไว้ในใจนเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละการที่บุคคลมาเพียรพยายามละา ก, ก ร, ร ม, มันชั่วออกไปจากกิตใจเสียทำแต่กรรมดีเข้าใส่ไว้อย่างนี้เมื่อก ร, รมดีมันมีกำลังมากพอมันก็ขจัดก ร, รมชั่วลานั้นออกไป จากจิตใจให้หมดไปเรื่อยๆถ้าบุคคลไม่ยอมละ ก, กำชั่วเที่ก่อนแล้วจะมาเจริญภาวนาจเจริญปัญญาสอนจิตให้หลุดพ้นจากขันหาหรือหลุดพ้นจากกิเลสตัณหานี่มันไม่ได้เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จงพากันเข้าใจความหมาย เพราะการยึดถือขันห้านี่ไว้แล้วมันก็สร้างกิเลสขึ้นมาซ่อนอยู่ในขันห่านี่แหละถ้าว่าบุคคลมาใช้ปัญญาสอนจิตที่ให้ปล่อยวางขันห่านี้ไปเรื่อยจะในีกิเลสไม่มีที่ซ่อนแล้วเพราะว่าเมื่อจิตปล่อยวางขันห่านี้ตามสภาพแล้ว ความโลภโกรดหลงตัณหามานะทิถีอะไรมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ที่กิเลสมันตั้งอยู่ได้ก็เพราะจิตมายึดขันห้านี่แหละไว้ให้พากันเข้าใจทีนี้คนส่วนมากนะไม่ค่อยสนใจกันเลยนะเรื่องหบนนี้ เพราะฉะนั้นมันจึงเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ไม่รู้แล้วรู้รอดนั่นเลยมันยึงไม่ได้ถึงสวรรค์ถึงพระนิพพานง่ายๆเพราะไม่สนใจเลยนะไม่สนใจในชีวิตของตัวเองสนอยู่หรอกสนแต่เพียงว่าทำยังไงหรอเราจะมีเงินมาใช้ทำยังไงจึงมีอาหารดีๆมารับประทาน ทำยังไงเราจะได้เรือนหลังใหญ่หญหญ โ, ต โ, ตโตอยู่อาศัยทำยังไงถึงจะได้รถยนต์คันเงางามมาขี่อะไรพวกนี้นะ <S <S ไอ้มันสนใจชีวิตของตัวเองแค่นี้แหละสนใจแต่ความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองขอให้มีความสุขในปัจจุบันนี้เป็นพอแล้วไม่ไม่นึกถึงอน า, าคตแห่งชีวิตเลย ไม่เน้ถึงว่าตนนั้นยังลากกิเลสไม่ขาดเพราะฉะนั้นเมื่อลากกิเลสไม่ขาดแล้วกิเลสมันก็บรรดาลให้คนทำดีบ้างทำชั่วบ้างคาดีคาชั่วนั่นแหละนำจิตวิญญาณให้ไปเกิดอีกอย่าสงสัยเลยหาคนยังมีกิเลสความอยากความบัณฑนายอยู่ตราบใจความเกิดอีกก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้น ก็เมื่อรู้ตัวว่าตนยังรักกิเลสไม่หมดเช่นว่ามาแล้วนั่นเนี่ยเช่นนี้เนี่ยควรจะทำอย่างไร อ, ะอ่ะก็ควรสร้างบุญกุศลความดีเข้าไปอะ่ะสิ่งใดช่วเราก็ละเว้นมันไปมันคาอยู่กรรมชั่วนี่แหละคนเราจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้นะกรรมชั่วมันนวงเหนียวให้เกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว เปรตบ้างเป็นสัตว์อสุรกายบ้างเป็นสัตว์เจริญฉานบ้างนีต่ตามบาปกรรมที่ทำนั้นก็ <c oughs> เมื่อไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกอวัยภูมิอย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะได้ทำความดีอะไรเลยมีแต่เสวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้น ดังนั้นแนะมันถึงนานพ้นทุกได้ก็เพราะมันคาความชั่วดังกล่าวมานั้นเนี่ยผู้ใดรู้แล้วนะ่ะพยายามรับเว้นกรรมชั่วให้ได้อยา่สาไปสะสมกรรมชั่วใส่ตัวเองกรรมชั่วก็มีอยู่ห้าอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยแต่ต้องย้ําอีกการฆ่าสัตว์ถึงรักทรัพย์หนึ่ ง, งประพฤติผิดในกรรมหนึ่ง กล่าวมุสาวา ด, ดึงเดือมสุรามีไรกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหนึ่งี่การทำชั่วห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมันก็เป็นอกุศลกรรมสิวานี้เป็นกรรมชั่วเมื่อจิตเป็นผู้มีเจตนาใช้กายใช้วาจาทำพูดบาปกรรมมันก็เกิดขึ้นที่จิตก็ตั้งอยู่ที่จิตนั้นแหละ มันเป็นอย่างนั้นถ้าสะสมให้ ม, มากๆเข้าไปการทำบุญมีแต่น้อยอย่างนี้นะบาปมันก็มีอิทธิพลเหนือบุญบัณฑิเวลาชวนจะตายบาปนั่นแหละมันให้ผลกรบัณฑนะสุดข้าลงไปสู่นรกอบายภูมิให้ได้ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นอีก นี่คนเราเมื่อยังไม่รู้แจ้งในคำสอนของพุทธเจ้าต่าใจแล้วซึ่งจะไม่ได้ทำบาปไม่มีเพราะมันไม่รู้นี่มันหลงมันเมาอีกอย่างหนึ่งก็ไปคบคนชั่วเข้าไปเขาก็พาทำบาปทำกรรมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่แหละความไม่รู้นี่นะมันมีโทษมากมายก่ายกองดังนั้นอย่าพาการิน่นอนใจ ให้ไหวพระภาวนาทำใจให้สงบระงับอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นโดยนึกถึงอุบายต่างๆสอนใจนี่นะให้ละอุปทานความยึดตั้นถือมัน่นต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั่นะน่ะ <c oughs> ได้เชื่อว่าเราทำบุญกุศลเนี่ยครบวงจรไปเลย ทานมีแล้วก็พยายามให้มีสิลนสิ้นมีแล้วพยายามไหวพระนั่งสมาธิภาวนาเมื่อภาวนาไปจิตใจมันอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเอาชนะกิเลสแต่ละอย่างละอย่างได้เช่นนี้มันก็ได้รับผลคือมีความสุขความเย็นใจไปโดยลำดับอันนี้แ่ละท่านเรียกว่า การปฏิบัติให้ครบวงจรให้พึงเข้าใจไว้ถ้าผูใ้ใดมีแต่กินทานธรรมดาหรือรักษาศีลก็รักษาไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> ไม่เอาจริงเอาจังอย่างนี้นะ <c oughs> นั่นคือว่าทาบุญกุศลไม่ครบวงจรขาดด้วยพระขาดภาวนามันก็ไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ได้ผลที่ห น, หน่าชื่นอกชึ่นใจบุคคลผู้มีภาวนาด้วยอย่างนี้ชาระใจที่มัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆให้ใจผ่องใสสะอาดเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อใจผ่องใสล้วก็มีความสุขความสบายคนเราก็มองเห็นผลแห่งการกระทำความดีที่ตนทำมาแล้วและกำลังทำอยู่นี่นะ เห็นว่าเราเดินถูกทางแล้วบ้า น, นีก็ให้ปีติในใจก็ได้ความเอบอีมในใจอันนี้แหละเรียกว่าผลการบำเพ็ญบุญกุศลก็ให้พบวงจรเช่นเดียวกับทางโลกเขาทำมาค้าขายเขาก็ทำไปถ้าไม่ครบวงจรนะมันก็อยู่ไม่ได้การค้าการ ข, ขาย ทำไปไม่ได้เพราะไม่มีผลกำไรก็ทิ้งได้จะขาดทุนเป็นอย่างนั้นอันนี้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันถ้าบุคคลมีแต่ให้ทานธรรมดารักษาสินก็ได้บ้างเสียบ้างอย่างนี้มันก็มีบาปเกิดขึ้นมาแทรกแซงอยู่ในชีวิตจิตใจนี่ เพราะฉะนั้นบุญกุศลอะไรที่ทำมามันก็เป็นบุญที่มัวหมองไม่ผ่องใสสะอาดใจก็ยังมัวหมองอยู่เป็นอย่างนั้นไม่เบิกบานไม่มีความสุขเท่าที่ควรทีนี้เมื่อผู้มาอบรมข้อวัดปฏิบัติสามประการนี้ให้พร้อมกันไปดังกล่าวมาแล้วนะั้น บุญกุศลก็เกิดขึ้นได้จิตใจก็ผ่องใสสะอาดเพราะไม่มีบาปมาแทรกแซงนี่ให้พากันเข้าใจเหตุที่พระองค์เจ้าทรงสแสดงข้อปฏิบัติสามประการนี้ให้พุทธบริษัทบำเพ็ญในพร้อมกันไปนะ่ะมันจะได้รับอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลคือทำให้ได้บุญมากๆไม่มีบาปมาแทรกแซง มันก็พ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับไปไม่หวนกลับไปหาทุก์ในอบายภูมิทั้งสีอีกต่อไปดังแสดงมา